บทสวดมนต์ดังที่กล่าวมานี้โดยปกตินักเรียนได้สวดกันเป็นประจำในเวลาก่อนเรียนแต่บางโรงเรียนก็อาจจะไม่ใช่สวดเป็นประจำทุกวันแต่ถึงกระนั้นในอาทิตย์หนึ่งหนึ่งก็จะต้องมีการสวดอย่างน้อยก็ในวันสุดสัปดาห์เพราะฉะนั้นจึงน้อยคนมากที่จะจําบทสวดเหล่านี้ไม่ได้แต่ส่วนมากไม่รู้คําแปลและเวลาสวดมนต์จิตใจก็ไม่อยู่กับคําสวดมนต์มักจะสวดกันสักแต่ว่าทําตามระเบียบเท่านั้น ที่จริงแม้เราจะสวดเพียงสั้นๆแต่ถ้าสามารถบังคับใจให้อยู่กับคำสวดมนต์ได้ทุกคำโดยไม่ไปนึกถึงสิ่งอื่นในขณะที่สวดและในเวลาเดียวกันก็นึกแปลได้ทันทีด้วยโดยวิธีนี้ก็เท่ากับเราหัดทำสมาธิฉะนั้นในเมื่อทำบ่อยๆเราก็จะรู้สึกว่าเราสามารถทำจิตให้สงบสบายในเวลาที่เราต้องการได้เสมอและยิ่งกว่านั้น ถ้าหากว่าคนไหนจะใช้บทสวดมนต์เหล่านี้แทนความคิดฟุ้งซ่านในเวลาอยู่ว่างๆไม่มีอะไรจะทำเช่นนั่งอยู่บนรถหรือในเวลาที่เราพักผ่อนนอนบนเก้าอี้เอนครึ่งตัวหรือในเวลานอนก่อนที่จะหลับแทนที่เราจะนึกถึงเรื่องอะไรต่ออะไรต่างๆโดยไม่มีสาระเราก็นึกสวดมนต์ในใจซ้าไปซ้ามาจนกว่าจะหลับโดยวิธีนี้จะเป็นการเพิ่มพูนสมาธิได้อย่างดียิ่ง โปรดจาไว้ให้ดีว่าคนที่หมั่นฝึกสมาธิไว้เสมอเท่านั้นในเวลาที่มีเรื่องยุ่งยากลาบากใจเกิดขึ้นหรือในเวลาที่ต้องการจะรวบรวมกำลังใจกำลังสติปัญญาเพื่อตัดสินปัญหาหรือเพื่อคอบคิดปัญหานั้นจึงจะสามารถทำใจให้สงบได้โดยไม่ยากแต่สำหรับบุคคลที่พอมีเวลาว่างก็ปล่อยใจให้ฟุ้งซ่านคิดอะไรต่ออะไรเรื่อยเปื่อยการกระทาเช่นนี้ นอกจากจะเป็นการเสเวนาโดยไม่ได้รับประโยชน์อะไรแล้วยังทำให้พื้นจิตใจพลอยเสียไปด้วยเพราะเป็นการสะสมวิบากที่ไม่ดีเข้าไว้คนบางคนที่เป็นโรคประสาทก็เพราะไม่เคยพยายามที่จะหัดบังคับใจของตัวเองให้มีความสงบเสียบ้างชอบทำอะไรตามอารมณ์จนเกินไปจนกระทั่งนิสัยเสียบังคับจิตใจของตนเองไม่ได้เลยเพราะเหตุนี้ข้าพเจ้าจึงได้แนะนาว่า ในเวลาที่อยู่ว่างๆไม่มีอะไรจะทำนั้นก็ขอให้พยายามนึกสวดมนต์ในใจดังที่ได้กล่าวมาแล้วการสวดมนต์ซึ่งจะเป็นการสวดในใจหรือสวดออกเสียงก็ตามเป็นสิ่งที่มีประโยชน์มากและเป็นความจำเป็นที่จะต้องสวดอยู่เสมอด้วยเพราะอย่างน้อยในเมื่ออยู่ว่างๆไม่มีอะไรทาถ้านึกสวดมนต์ในใจซ้าไปซ้มาตลอดเวลาที่ว่างอยู่ และพยายามบังคับใจให้อยู่กับคำสวดมนต์ด้วยถ้าทำได้เสมอทุกครั้งที่ต้องการจะทำก็เป็นเครื่องรับรองได้ว่าโรคประสาทไม่เป็นแน่เพราะคนที่เป็นโรคประสาทจะบังคับใจให้อยู่กับคำสวดมนต์ไม่ได้นอกจากจะทำได้ประเดียวเดียวเท่านั้นเพราะฉะนั้นในเมื่ อ, อยังสวดมนต์ได้เดียวที่สามารถบังคับใจให้อยู่กับคาสวดมนต์ได้ตลอดเวลาก็แปลว่าสุขภาพจิตยังดีอยู่ และอีกประการหนึ่งการสวดมนต์หรือการสาธยายมนต์ซึ่งหมายถึงการสวดด้วยความเข้าใจด้วยนั้นเป็นการฝึกความจำอย่างดียิ่งคนที่หัดสวดมนต์มาตั้งแต่เด็กจนกระทั่งถึงวัยชราถ้าทำได้ตามหลักดังที่กล่าวมาก็รับรองได้อย่างหนึ่งว่าถึงแม้แก่แล้วความจำก็ยังดีอยู่เพราะการสาธยายมนต์ก็เปรียบเหมือนการออกกาลังกายผู้ที่หมั่นออกกาลังกายอยู่เสมอ จนกระทั่งอายุมากแล้วก็ยังมั่นบริหารร่างกายเหมือนเมื่อตอนยังหนุ่มๆนั้นสำหรับบุคคลประเภทนี้ย่อมจะมีสุขภาพทางร่างกายดีอยู่เสมอข้อนี้ฉันใดคนที่มั่นสาธยายมนอยู่เสมอก็เช่นเดียวกันคือจะทำให้สมองยังใช้การได้ดีอยู่เสมอแม้อายุจะมากแล้วก็ตามและยิ่งกว่านั้นการสาธยายมนนี้ ยังมีผลไปถึงชาติหน้าอีกด้วยคือจะทำให้เกิดมามีสมองดีมาตั้งแต่เล็กๆทีเดียวซึ่งรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องนี้ข้าพเจ้าได้เขียนเอาไว้นานแล้วลงในหนังสือวิญญาณและขณะนี้ก็ได้รวบรวมพิมพ์เป็นเล่มตั้งหากแล้วการสวดมนต์เป็นสิ่งที่มีประโยชน์มากดังที่กล่าวมาและถ้าเข้าใจวิธีสวดก็จะสวดได้เสมอตลอดเวลา ไม่จำเป็นจะต้องสวดตามประเพณีเท่านั้นว่างตอนไหนหรือเหมาะเวลาไหนก็สวดได้อยู่ในรถเม์หรือรถส่วนตัวหรือในขณะนอนเล่นก็สวดได้ในเวลาที่อารมณ์ไม่ดีก็สวดได้และถ้าใครทำได้ในขณะนี้ก็ยิ่งมีประโยชน์มากแต่ข้อสำคัญต้องเข้าใจคำสวดมนต์ทุกคำที่สวดจึงจะได้รับประโยชน์จริงๆและการสวดมนต์ที่สะดวก จำได้ง่ายและมีประโยชน์มากที่สุดก็คือการสวดถึงคุณของพระรัตนตรัยด้วยเหตุนี้ข้าพเจ้าจึงได้พยายามเขียนคำอธิบายเรื่องนี้อย่างละเอียดซึ่งเป็นการเขียนที่ออกมาจากความรู้สึกอันซาบซึ้งในคุณของพระรัตนตรัยจริงๆไม่ใช่สักแต่ว่าเปิดตำราอ่านแล้วก็เขียนออกมาเพราะฉะนั้นจึงรับรองได้ว่าหนังสือเล่มนี้สาหรับผู้ที่อ่านเข้าใจนั้น จะสามารถอ่านแล้วอ่านอีกได้หลายเที่ยวโดยไม่เบื่อยิ่งอ่านก็ยิ่งเกิดความทราบซึ้งในคุณของพระรัตนตรยัยและสำหรับผู้ที่มีความทราบซึ้งในคุณของพระรัตนตรัยนั้นทุกคนจะรู้สึกตรงกันกล่าวคือจะทำให้ตนเองเข้าสมาธิง่ายเพราะเกิดปีติในธรรมง่ายในเวลาทำความดีหรือในเวลาเห็นความดีของคนอื่นซึ่งข้อนี้เมื่อเกิดบ่อยๆแล้วจะทาให้ชีวิตประจาวัน มีแต่ความสดชื่นอยู่เสมอความเป็นห่วงตัวเองหรือความวิตกกังวลนเรื่องต่างๆจะค่อยค่อยลดน้อยถอยลงไปโดยลำดับและในที่สุดก็เป็นคนที่มั่นใจในตนเองได้เสมอว่าชีวิตของตนจะไม่มีทางตกต่ำหรือไปเกิดในอบายภูมิมีแต่จะสูงขึ้นโดยลำดับอา น, นิสงของการสวดพุทธคุณธรรมคุณและสังฆคุณนั้นยังมีอีกมากมายคอยลองเริ่มต้นดูตามหลักที่กล่าวมา ไม่นานเท่าไรท่านก็จะเห็นผลด้วยตัวของท่านเองแต่อย่างไรก็ดีอย่าลืมว่าจะต้องพยายามอ่านเรื่องนี้ให้จบและอ่านอย่างละเอียดถี่ถ้วนจึงจะได้รับรสในธรรมซึ่งเป็นรสที่เลิศยิ่งกว่ารสใดๆทั้งหมดหลงชื่อพรรัตนสุวรรณวันที่9กรกฎาคมพุทธศักราช2514